เขแปล ว, ว่าความไม่รู้ในสัจจะทั้งสี่มีทุกเป็นต้นไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขัสมุทัยไม่รู้ในทุกขานิโรธไม่รู้ในทุกขานิโรธท่าทามินิรดีปทางที่จริงท่านบอกว่าไม่รู้ในทุกเนี่ยมายกรรว่าทุกข์เขี้ยยานั่นไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ก็เดี๋ยวนี้เขาเขาพูดกันเข้ามาขยาย อริยสัจเขามูดอย่างนี้นะคาว่าไม่รู้ในทุกเนี่ยเขาบอกไม่รู้ในปัญหาเพราะงั้นนะคือไม่รู้จักปัญหาแล้วก็ไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือไม่รู้เหตุของปัญหาอย่างยกตัวอย่างนี่นะเวลาเขาจะามาอธิบายในความเป็นจริงในประเทศไทยทุกวันจะมาอธิบายอยว่ า, ว า, วาเออประเทศไทยเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมหมุนกับตัวปัญหาเนี่ยทีนี้ ทีนี้การแก้ปัญหาเนี่ยถ้าแก้ผิดมันเหมือนกับการไปเพิ่มปัญหาไอตัวสมูทไทยเนี่ยนะมันเหมือนกับการไปใส่เชื้อปัญหามันก็ยิ่งเพิ่มลุกขึ้นมาถ้านี้โลดแต่นั้นก็ว่าไม่รู้จากการดับปัญหาเนี่ยเขาว่านะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเออเราจะแก้ปัญหายัางไงก็คือมักเล้วก็มาขยายเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันก็ก็ได้ถ้าพูดอย่างธรรมดาเนี่ยนะก็พอเป็นไปได้ว่าเออ ในสังคมของคนทุกคนนี่ก็คือปัญหาก็คือตัวทุกข์หนึ่งเดียวเราจะจัด ก, การกับทุกข์ยัางไงาจัด ก, การกับบุคคลยัางไงเช่นเราจะจัด ก, การกับปัญหาในระดับชาวไร่ชาวนาชาวสวน ย, ย, ยังไงระดับพ่อค้าประชาชนายังไงระดับข้าราชการยังไงก็ดับผู้บริหารบริษัทข้างร้านต่างๆยังไงอันนี้ก็คือเป็นตัวทุกข์หนึ่งทีนี้ถ้าจะจัด ก, การตรงนี้ต้าเอาอะไรไจะจัดการต้องเอามากร ก็คือว่าจะต้องมีพวกสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นตัวไปไปคิดเขาบอกไอ้ตัวสัมมาสังกัปปะเนี่ยกับตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยคําว่าสัมมาสังกัปะเนี่ยเขแปลว่าเห็นเนี่ยนะความเห็นชอบนี้แต่ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะจะทํางานไม่ได้จะเห็นชอบไม่ได้ถ้าไม่มีตัวสัมมาสังกัปปะเนี่ยคอยคอยลักษณะว่าปงแต่งอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเหรียญเนี่ย เหร hey, ียญถ้าไว้ใส่ในมือเนี่ยนะมันก็เห็นด้านเดียวอยู่อย่างเงี้ยไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิมันเหมือนกับการมองเหรียญด้านเดียวแต่ตัวสัมมาสังกปร์เหมือนกับนิ้วนิ้วที่คอยกระดิกพลิกเหรียญเนี่ยพลิกด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะฉะนัไอ้ตัวสัมมาสังกปร์ความดําริเนี่ยการดาริเนี่ยถ้าดําริมันเหมือนกับการพลิกเหรียญว่าจะดูทุกด้านไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกับตัวเข้าไปดูว่าเออด้านนั้นเหรียญเป็นอย่างนี้ ด้านนั้นเหรียญเป็นอย่างนี้ด้านข้างเหรียญเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นตัวสมาธิติแต่สมาสังกปามันนิ้วมือที่คอยพลิกเหรียญกลับไปกลับลักษณะของปัญหาการที่เปนปัญหาเวกนี้ตัวสมาสังกปยมันจะเข้าไปตัวคิดเนี่ยนะที่ว่าสมาสังกปามองตัวคิดเนี่ยมันจะเข้าไปเข้าไปคิดในในเรื่องในปัญหา น, นั้นเช่นทุกเนี่ยเอาทุกมาวิจัย เอพอมาวิจัยเบ็ดเสร็จเนี่ยพลิกดูด้านนี้เห็นถ้าได้ดูเฉยๆเนี่ยมันมันไม่เห็นแต่พอตัวสัมาสังกัปปะมันพลิกนะน้าเข้าในเข้ามันจะเห็นทุกด้านเห็นทุกด้านของปัญหาพอเห็นทุกด้านของปัญหาต่อมาไอตัวปัญญาเนี่ยมันจะมองหาวิทางออกของปัญหาเนาะจะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากมันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยมัตด้วยสัมมาพิธีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตา สมาาชีวะสมาวิมาสมาสติสมาสมาธิถ้ามันไม่ได้แก้ไม่ได้เอามารคเนี่ยมาเป็นปฏิบาาัติธรรมาเป็นข้อปฏิบัติในการดําเนินอย่างนี้ยมันไม่รอบครอบพราะมันไม่รอบครอบมันก็ไปทางใดทางหนึ่งนะและมันก็ไม่ฟังเสียงด้านลวงด้วยถ้ามันไปเัาจะไปมันถู ก, ก, ก, กเข่าตาก็ลกก็เข้าขึนมางั้นในในยุค ป, ปฏิบัตินี่ก็ถ้าเราได้คนที่ ไม่ไม่ไม่รอดพอบตรงนี้ก็ก็เป็นปัญหาตั้งกองก็เป็นปัญหาทีนี้ประการ bon ต่อมาคือทุกข erm ์สมุทเธยอายาหนังก็ไม่รู้เหตุที่ทําให้ทุกข์เกิดก็คือไม่รู้จักตัณหาทุกข์ันธิโรธ้าทำไม่ดีปฏิปทายาหนังก็คือไม่รู้เออขอไปทุกขันิโรถ้ายาหนังก็คือไม่รู้ทํามันเป็นที่ดับทุกข์ทุกข์นิโรธ้าทำไม่ดีปฏิปทาอาญาหนังก็คือไม่รู้ทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็คือไม่รู้จักมา ปุพันเตียญาณังไม่รู้ขันญาตนาฆ่าที่เป็นอดีตอันนี้เราวิชาปิดหมดเลยนะขันอาญตนาฆในอดีตเป็นมายังไงไม่ทราแล้วก็อภรรยาเตียญาญาณังก็คือไม่รู้ขันญาตนาฆ่าที่จัเป็นไปในอนาคตอันนี้ก็ปิดปิดสังสารวัตรที่จัเป็นไปในอนาคตก็ปุพันตาภรรยาเตียญาณังก็ไม่รู้ขันญาตนาฆ่ทั้งที่เป็นอดีตละอนาคต ทิทับปฏิยาตาปฏิจจสมุปปเนสุทำเมสุอยานางก็ไม่รู้ทำที่เป็นเหตุให้เกิดผลต่อเนื่องกันตามปฏิเจริญบาทก็คือไม่รู้จากปฏิเจริญบาทนั่นเองว่าไม่รู้ว่ า, าวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้ยก็ไม่รู้หลักหลักของสังสารวัตรความเป็นไจของสังสารวัตรเนีย่ยไม่รู้นี่นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอาวิชาแท้ส่วนประการต่อมาคือตัณหา มาจากคำว่าภาวะตัณหาติภาวะปัธนาคำว่าภาวะตัณหาหมายถึงความปรารถนาพบตัณหาในที่นั้นเป็นชื่อของโลภเป็นชื่อของโลภโลภนี่ก็แปลว่าเป็นธรรมชาติที่ยินดีติดใจในอารมณ์ได้แก่สภาพความปรารถนาความอยากได้ แล้วก็ความติดใจอยู่ในอารมณ์ทั้งหกคือติดใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็ในธรรมะเเขาบอกว่าลักษณะของโลภะเนี่ยมีความยึดอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะแต่ น, นอกจากจะอยากได้หรือจะติดใจแล้วเนี่ยเขายึดด้วยแล้วก็มีความติดอยู่ในอารมณ์นี้เป็นกิจ คำว่าติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยน ะ, อะเออ่ตัณหาในเวลาเสบอารมณ์ใดเนี่ยมันติดข้องอารมณ์นั้นมันต่างจากปัญญานันถ้าปัญญาเนี่ยไปรู้อารมณ์ใดเนี่ยก็จะจะแทงตลอดอารมณ์นั้นแต่ถ้าตัณหาเนี่ยนะมันต่างจากโมหะว่าโมหะเนี่ยเข้าไปรับอารมณ์ใดมันก็ปิด ไม่แพงตลอดอารมณ์ไม่รู้แจ้งในอารมณ์นะคือตันไอโมหะเป็นอย่างนี้พอไม่รู้แจ้งถ้าตัณหาเกิดตัณหามันไปติดไปยึดไปถือและไปพอใจในอารมณ์แล้วพอใจเนี่ยเราดูผลของตัณหาก็คือการไม่ปล่อยคือการไม่ยอมละเนี่ยประการสุดท้ายก็คือว่า มีการเห็นความสำราญในสังโยธรทมเป็นอหกุครับเขาบอกว่าเขาพอใจมากพอใจในพอใจในเครื่องผูกคนที่มีโลภะมีตัณหาพวกนี้มากๆก็คือว่าถ้าเขามีลูกมีร้านมีครอบครัวออกลนมีทรัพย์มีอะไรก็พอใจแค่ตรงนั้นคือเขามีความสุขไปไหนก็สะดวกสบายมีน้ำมีอะไรคือชีวิตเขาอยู่อยู่แค่ว่า ต, ตัวเขาสบายแล้วก็ครอบครัวเขาสบายเขาเขาพอใจพอใจการผูกพันพอใจการยึดติดพอใจกับชีวิตที่เป็นไปกับการยึดถือแล้วมันเป็นความสุขสบายถามว่าทุกวันเนี่ยเวลาเขาสอนกั น, เ, นเขาเอาอะไรสอนเขาเอาโลผ้าสอนเช่นเวลาเขาจะสอนลูกให้เรียนหนังสือเนี่ยนะเขาก็จะใช้โลผ้านี่แหละสอนลูก าจะให้คนทำงานก็ใช้โลภะสอนกันทุกวันเนี้ยโลภะเลยกลายเป็นตัวนำเลยเช่นว่าลูกขยันเรียนนะต่อไปลูกจะได้สบายมีความรู้เนี้ยไอ้นี้โลภะนะเออลูกทำงานทำการนะเดี๋ยวจะได้ได้เงินได้ทองเยอะๆจะได้ปลูกบ้านสร้างบ้านอันเนี้ยใช้สอนกันแบบเนี้ยสังคมมันเลยไม่มองเห็นว่าโลภนะน่ะเป็นโทษเขาจึงบอกมีความสาราญในสังโยชนะธรรม ที่ทําที่เป็นเหตุยึดติดเนี่ยเป็นเหตุใกล้เลยครับและเราก็ถูกสอนแบบนี้แล้วเราก็สอนลูกสอนหลานแบบนี้คือเอาโลภะนี่ไปสอนเขาทีนี้พอพอเขาคิดแบบโลภะแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆเนี่ยเขาเขาออกไม่ได้มันเหมือนว่าเราไปล้อมข้อให้เขาแล้วให้เขาไ่อยู่ยนี่แล้วก็เอาของเพืเพ่อเพลินอยงไม่ต้องอะไรพระเราเนี่ยนะ สมัยก่อนพระ้ปปฏิบัติกันค่อนข้างนะต่อมาทางหน่วยงานราช ก, การก็ระแวง พ, พระพอละแวงพระก็เอาเอาของมาล่อพระเอาพัยดยศมาล่อเอาตำแหน่งเอาชั้นยศต่างๆเหล่านี้มาล่อพ้าเลยมีมีความสำรามในสังโยชนธรรมเป็นแว เ, เลยพ้าออกจากตัญหากันไม่ได้และไม่ยุ่งการเมืองเลยตวเนี้ ถ้าไม่เอาพวกนี้ไปล่อเนี่ยพระเนี่ยลุกขึ้นมายุ่งการเมืองวุ่นวายเลยเอาไม่อยู่หรอกพราะพระคนหนึ่งเนี่ยดึงโยมได้หลายคนพระบุตรที่นี้พระพอโดนล่อทุกวันนี้พระเริ่มจะหมดอํานาจลงแล้วไม่รู้ตัวแล้วเขาเริ่มดึงโรงเรียนออกจากวัดก่อนแล้วก็เริ่มจะดึงประชาชนออกจากวัดเดี๋ยวนี้เขาไปนิยมชมชอบพการเมืองบ้างไปนิยมชมชอบอะระบบนั้นระบบนี้กองทุนหมู่บ้านบ้างอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะ ออกจากวัดบปแล้วโดดเดียวแล้วตอนนี้โดดเดีย ว, ย เ, ยวเขาล่อพ้าเนี่ยได้ผลพ้าขโมยเพื่เพนล้วถูกได้พัดยอดชั้นไหนแล้วใช่ไหมมันมันติดอยู่แล่ตรงเนี้ยถึงได้พักครูแล้วได้จบคุณแล้วชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยก็เลยวิ่งกันเป็นแถวเลยแลเนี่ยแสีหายมาอันนี้คือคือท้าหลงกล นคนที่ไปนั่นก็ไว้ก็คือคนนี่เขียนร่างรัฐธรรม น, นูญหลอกฟังมาตั้งแต่สอง5ีเท่าแล้วหลอกฟังสถาบันอื่นได้ดีกว่สถาวันพุทธศาสนาล้มลุกคุกขังมาตั้งแต่สอง5ี่เจ็ท่านะเริ่มตั้งแต่สร้างชาติแปลงเมืองมาเนี่ยอันนี้อันนี้ผูดเห็นว่านะไม่ยากเลยการจะล่อใครให้ติดตนาเนี่ยเอาเอาเครื่องล่อไปล่อนี่ง่ายมาก เพรติดแล้วแล้วมันออกไม่ได้เลยไหมท่านถึงท่านถึงอุปมาไว้ไงว่าในอัตสาหริณีย์บอกว่าลักษณะของโลภะเนี่ยมีการยึดอารมณ์เป็นลักษณะ เ, เหมือนลิงติดตังลิงติดตังเนี่ยถ้ามันติดส่วนไหนนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นถ้าหาว่าขาหน้ามันติดก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขาหลัง เดีขาหลังไปติดเดี๋ยวขาหน้าติดคือถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งติดพวกมันย่อยส่วนหนึ่งไปจับอีกมันจะติดอีกส่วนหนึ่งก็จะตามไปจับอีกอย่างนี้เป็นต้นแล้แล้วลเอาปากไปกัดอีกปากก็ติดอย่างเงี้ยลักษณะของปัญห า, ป า, าเป็นยังไงนะถ้าเบสิคแล้วติดทุกอยางแล้วก็มีความติดข้องอยู่ในอารมณ์เนี่ยติดเหมือนชิ้นเนื้อที่ซักไปบนกระเบื้องที่ร้อนจัดมันก็ติดแกะไม่ออกมีความไม่ยอมปล่อย เหมือนการติดสีที่อาบด้วยน้ํามันท่านถึออุปมาเขาไว้บอกว่าือในปรมัตตีปณีดีกาเขาบอกว่าตั้นหาความต้องการนี่เปชื่อของเป็นชื่อของเขามีชื่อหลายชื่อมีชื่ออยู่สิบชื่ออาจคนที่เป็นคนนะโยมโยมเลี้ยตั้หาได้แก่ความต้องการราคาความกําหนักการ ม, มา้าในความไข่ นันทีคือความเพลิดเพลินแล้วก็อภิชาในความเพ่งเฉพาะชนเนศีความก่อกิเลสโปโนพวิกากคือเกิดในภพใหม่ตัณหาเนี่ยทาให้เกิดในภพใหม่นะก็แปลว่าถ้าตราบใดเรายังยินดีพอใจในตัณหาเนี่ยก็หิตัณห า, ายังเกิดอยู่ก็ตัณหาจะเป็นตัวเหตุทําให้เกิดอยู่ลยแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวอิจฉากัความปรารถนาอาสาก็สมหลังสังโยชนะก็ความผูกพันเกี่ยวรัดไว ฉะนั้นลักษณะของปัญหาเนี่ยเราต้องบอกว่าย่อมเป็นบอกว่าสภาวธรรมที่ต้องการในการอารมณ์ทั้งหกติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหกนั่นเรียกว่ากามวัตถาถ้าปัญหาที่เกิดพร้อมด้วยสัจสตรทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงอันนี้ชื่อว่าภาวะตัญหาถ้าตัญหาที่เกิดพร้อมด้วยอุเฉนะทิฏฐิอันนี้เรียกว่า วิภาวะตันหามีเป็นไปอย่างนี้นะฉะนั้นตันหาภาวะตันหาความพอใจในพบวิภาวะตันการมาตันหาภาวตันหาแล้วก็วิภาวะตันหาเป็นต้นเหล่านี้ยเป็นชื่อของตันหาทีนี้ประการต่อไปท่านพูดเกี่ยวในเรื่องของคำ ว, ว่าวิภาวะทิฏฐิอันนี้ความเห็นเนื่องด้วยพบกับเอภาวทิฏฐิกับวิภาวะทิฏฐิความเห็นเนื่องด้วยวิพบ อันนี้พูดในเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยนะคำว่าวิภาวะทิฏฐิเนี่ยความเที่ยงท่านเรียกว่าภาวะทิฏฐิที่เกิดขึ้นด้วยอานาจเห็นว่าเที่ยงนะ่ะอันนั้นเรียกว่าวิภาวะทิฏฐิทิฏฐิความเห็นผิดนั่นเองแต่ถ้าไปเห็นว่าเที่ยงเรียกว่า วิภาวาทิฐิเรียกว่าภาวะทิฏฐิถ้าเห็นว่าขาดศูนย์อันนี้เรียกว่าุิภาวะทิฏฐิคําว่าทิฏฐิเนี่ยคําแปลของเขาแปลว่าความเห็นแต่ในที่นี้อธิบายตัวมิจฉาทิฏฐินะเชื่อมั่นว่าอย่างผิดผิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าสภาพของทิฏฐิเนี่ย แตกต่างจากปัญญาเนี่ยโดยถ้าคนคนไม่เข้าใจเนี่ยหลายคนไปเข้าใจว่าทิฏฐิเป็นปัญญาปัญญาเป็นทิฏฐิเพราะทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทัศน์มันเป็นความเห็นออกมาแต่มันเป็นความเห็นผิดเช่นว่าในที่เนี้ยเน้นลงไปว่าถ้าเห็นว่าเที่ยงเนี่ยอันนี้เป็นภาวะทิฏฐิกันดี นัคือศาสตาที่ถีนั่นเองเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเที่ยงนี่เห็นยังไงเห็นว่าเห็นว่าการเรียนไายตายเกิดเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนก็ได้บางคนเห็นว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่ล่าไปอย่างนี้ก็จัดว่าเที่ยงหรือเห็นว่าอารมณ์หรือว่ายกตัวอย่างเช่นว่า คือความเห็นของเราแบบนี้เที่ยงแท้แน่นอนอยู่เช่นวา่าถ้าเราชอบคนนี้เที่ยงแท้แน่นอนที่เราบอกว่าฉันจะรักคุณจนกว่าฟ้าดินจะหลเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ไปเห็นว่ามันเที่ยงที่จริงมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่มีอะไรตรงนี้มันไม่มีใครทำได้จริงๆท่ <c oughs> ในนวณิยายนะ่ะมีแต่เรื่องจริงไม่มี ไปคิดว่ามีหลังจะเปลี่นไปใไปคิดว่าเที่ยงนี้เป็นสาวๆที่ถี่นะเป็นเพราะว่ที่ถี่นะแท้ที่จริงมันไม่เที่ยงหรอกบางทีไปไม่กี่วันมันเปลี่ยนแล้วแต่มันไม่มไมกล้าพูดผู้ชาวบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยใจอยากจะเปลี่ยนเยอะแยแล้วแต่ไม่รู้จะทํายังไงชาว บ, บ้านเขาเป็นพยานถึงเยอะแยะเอเห็นชัดเลยนะ ก็ทนีจรังไม่ได้เที่ยงอะไรเลยมันมันเปลี่ยนตั้งนานแล้วมันเปลี่ยนตั้งแต่เจอคำด่านั้นแล้วทีแรกมันนึกว่าจะมันนึกว่าคนคนนี้จะมันย่าเทียบร้อยตลอดใช่ไหมพูดจาก็ไพเราะเพราะมันไม่เคยตะโกนด่าชี้หน้ากันเลยในขณะที่คบค้ากันมาคำเงินเนี้ยทีนี้ไอ้ไดเห็นว่ามันมันเที่ยงแต่พอต่อมานี้ เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนะเปลี่ยนะเรียบร้แต่ก็ทอนๆอยู่กันเมื่อทีก็อยู่คนละบ้านเนี่ยเวลาไปออกงานยิ้มยิ้มแจ้มใส่ใส่กันเลยนะพอเข้ามานั่งในรถกันนั้นโอ้แทบอยากจะกินกลนเคเห็นไหมอย่างเี่นีย่งจริงๆบนแค่ตั้งแลวใครคือมีครอบครัวเขามารับ เขานั่งคู่กัข้างหน้าใครพระนั่งข้างหลังแล้วก็เขาก็คุยกันพอขึ้นไปก็คุยกันเขาขัดคอกันพระก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรเขาฟังกันเขาขัดคอกันเดินรถขับไปตั้งสองยียง่ห้องเลยเขาเถียงกันนะไม่หยุดนั่งฟองไปเรื่อยสักพักหนึ่งเลยบอกว่าเรามีฟังมาตั้งสองยี่ห้องก่อ คือตอนที่เขาคุยกันใหม่ๆเขาไม่เป็นแบบนี้ น, นี่นี่บ่งบอกว่ามันไม่จริงแต่ว่าความเห็นของคนบงคนเป็นสาคัญว่าที่นี่เป็นอย่างนี้นั้นทิฏฐิเนี่ยนะเป็นความเห็นเขาบอกว่ามีความยึดมั่นโดยหาปัญญาไม่ได้เป็นลักษณะแล้วก็มีความถือผิดในสภาวะทำเป็นกิจ ด, ด้วยนะยึดมั่นแล้วยังถือความเห็นพี่ผิดเป็นผลด้วย แล้วก็มีการไม่อยากเห็นเอคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเหตุกล้คนของเขาคือเขาไม่อยากเห็นผ้ายาไม่อยากเห็นท่าเนี่ยไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคไตเหมือนกันแกอย่างนี้แกเป็นมิจฉาทิฏฐิค่อนข้างมรงแกบอกว่าเนี่ยแกป่วยแกแกไม่เดือดร้อนแกไม่ทุกข์เท่าั้นะแกอยากทาอะไรแกก็ทำอยาก เที่ยวดูหนังฟังเพลงดูมวยดูอะไรต่างไปเรื่อยๆก็บอกโยมเนี่ยแกมากแล้วแล้วก็มีโรคอันนี้ด้วยเนี่ยทําไมไม่ทําบุญแล้วโอ้โหแกเป็นเรื่องใหญ่ลเลยละเขาพูดอย่างเงี้ยโยมมีฐานะมีอะไรเนี่ยทาพุ่งผ้าเดินไม่น่าทําบุญท่านเอาขึ้นมา <c oughs> <c oughs> คือบอกว่าในมีที่ทางล้วที่ทําบุญทำอะายใจเนี่ยโยมไม่เคยทําบุญเล แต่แก่ตายอยู่แล้วก็บอกบอกเฮ้ตายก็ตายไปนตายแลก็ไม่เกิดก็ว่าัเนี้ยบอกโอ้โหหมดนี่แกเห็นดิดแล้ดจริงแล้วแกว่าแกสบายก็ว่าเน้ยแต่เราดูแกทุกแกแกไม่ร่ว่แกทุกที่แกไม่รู้ตัวโอ้โหคนนี้ไม่รู้พูดเลยทิศทีตามตาเก็แปลว่าเห็นแต่นิชาทิศที่เนี่ยนะเขาแปลว่าเห็นผิดทีนี้ทิศที่เนี่ยถ้าเป็นประเภท อเหตุตุกตาทิฏฐิความเห็นที่ไม่เชื่อเหตุนากิกาทิฏฐิความเห็นที่ไม่เชื่อผลอักตริยะธิฏฐิความเห็นที่ไม่เชื่อในเหตุและผลอันลักษณะ น, นี้เป็นเป็นวิชาทิฏฐิแต่ในที่นี้ที่บอกว่าวออิภาวะทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิที่เกิดขึ้นเรื่องหน้าทิ้งความเห็นว่าเที่ยง ทิฏฐิท่านที่กล่าวว่าความเห็นว่าเที่ยงเนี่ยเห็นรูปารมณสัาทธารมคันดารมและส า, า, ารมโภตาภารมแล้วก็ทำอารมในว่าเที่ยงฉะนั้นในขณะที่เรายินดีพอใจในอารมณ์ปุ๊บแล้วเกิดความเห็นขึ้นมาว่าสิ่งที่ตนเองได้เนี่ยเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนี่เป็นเพราะว่าทิฏฐิกันดีนนไปเห็นลักษณะอย่างนีน้นั้นความเห็นอย่างนี้ก็เรียกเป็น เพราะว่าส่วนวิภาวะทิฐิเนี่ยก็แปลว่าเห็นว่าขาดศูนย์เห็นว่าโลกเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเนี่ยบอกว่าขาดศูนย์รักษาเห็นเห็นเห็นว่าขาดสูนย์ถามว่าคนในปัจจุบันนี้ก็ในส่วนที่เห็นว่าขาดศูนย์ก็เยอะเยอะกว่าเห็นว่าเห็นว่าเกิดเขาบอกว่าไปศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษากันจายศึกษากันมาปฏิเสธนามาทำ ถ้ายังยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นหมอและค่าภรรยานี่ใช่ไหเขาไม่เชื่อ ว, ว่าบาปบุญคุณทคล้นเขาไม่เชื่อพบหน้านะเองเองนี้ก็เรียนวิทยาศาสตร์เ็เก่งด้วยนะถ้ารักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นความความเสิยหายวันนี้ก็ส้งคนมีเวลาแล้วเดี๋ยวจะเลยนดูสุท่าน